ปฏิบัติจิตตะภาวนาจึงฆ่ากิเลสได้ถึงแม้ท่านจะเคยปฏิบัติด้านจิตตะาวนามาบ้างและก็มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้านปริยัติถึงเจ็ดปีก็ตาม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 ขอให้ท่านที่จะทําใจให้สงบยกบูชาไว้ก่อนในบรรดาธรรมที่ท่านได้เรียนมาต่อเมื่อถึงการที่ทําซึ่งท่านเรียนมาจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ท่านได้รับประโยชน์มากขึ้นแล้วทาที่เรียนมาทั้งหมดจะวิ่งเข้ามาประสานกันกับทางด้านปฏิบัติ